พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห7ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าให้ชนะทั้งสองฝ่ายวันนี้เป็นวันที่18ป เมื่อวานเป็นวันที่1ิดเป็นวันลอยกระทงนเมื่อวานเนี่ยเป็นวันลอยกระทงวันที่17จพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพวันนี้เป็นวันที่18วันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพนหวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันปีใหม่ของ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 ก็เรียกอะไรไม่ใช่อบตก็เรียกสุขาบาุญเทศาบาลเนาะออกเทศาบาลอำเภอนายูงตบนนางตบล น, นายุงเนาะเทศาบาลตำบล น, นายุงต่ก่อนเป็นปเป็นอบตเนาะยกระดับขึ้นมาเป็นเทศาบาลเทศาบาลตาบล น, นายุงต่อก็มีนายกมาด้วยวันนี้กับทีมงานทั้งหมดมีอยู่สิบสี่ สิบสี่หรือสิ บ, ส บ, สบ้าทีมงานเขาราทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบหกคนเหร อ, อทีมงานสิบหกคนบรรวนองกรกันมีอีกทีมงานหนึ่งเข้ามาหาหลวงพ่อตำบลเดียวกันเหมือนกันนะแต่เขาวนตำบลตำบล น, นายุงนายุอีกเหมือนกันเทศบาลนายุงอีกเหมือนกันแต่แตอนนี้หลวงพ่อให้พรว่า ให้ทุกคนชนะแล้วเอาอย่างไงตัวไหให้ทุกคนเป็นผู้ชนะนะใ ห, ให้เข้มแข็งนะให้ชนะพวกมาก่อนก็ให้ชนะพวกมาทีหลังก็ให้ชนะท่นี้พอชนะเนี่ยทั้งสองทีมนชนะเลยจะทำไงจะมีที่นั่งหรือเปล่า น, ะนี่แหละแต่ถึงยังไงลูกหลานต้องฟังเอาไว้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 เรื่องนี้พระเจ้าขาดนะพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ามีพระเจ้าแผ่นดินจำชื่ออยากๆสักหน่อยนะท่านอวดดีว่า ง, งนานเถอะพูดง่ายๆมีอวดดีแค่ว่าข่าในีใหญ่ที่สุดละในพื้นปฐพีในขณะนี้ทั้งพลทั้งหารทั้งพลรบทั้งประสบในกรความอุรมสมบูรณ์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 ในลาจรถพร้อมกับพลทหารกลุ่มใหญ่ไปแล้วก็ส่งไปส่งไปเมืองไหนเขาก็กลัวหมดเพราะว่ า, ากิตติศัพที่ประเทศเนียจะจะจัดการกับเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งเครื่องบรัญรการบรรณาการให้กระีบส่งออกจากนอกเมืองไปส่งไปเพราะนีไปถึงเมืองน้อยเมืองหนึ่ง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 มิลขะเนะ่ยมิลขะนะ่ส่งมาเนะี่ยอทางพระเจ้าแผ่นดินเลยเหรอโอ้เราจะสู้เขไว้เหรออประเล็ศประเทศของเราหน่อยเดียวเองนะ่ะเราจะสู้เขไว้เหรอไม่ไหวก็ต้องไหวเหมือนนเอาไม้เหมือนกันทางพระเจ้าแผ่นดินมก็อยากจะได้อัคคะมิเหสีอยู่แล้วใช่ไหมเออเอาก็เอาแล้วงั้นถ้าถ้าหากว่า พวกสูรเจ้าเข้มแข็งที่จะเอาให้ได้เพราะงั้นเอ้าจากนั้นเอาหมาดแล้วก็ยึดเลยเพราะงั้นเลยเยึดราชรถคันนั้นเลยอก็ เ, กเลยมอบอลูกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลลัขาเนี่ยให้กับพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองทั้งสี่นางเลยทีนี้พอสี่นางทีนี้ก็พระเจ้าแผ่นดินนี่นก็ยึดเสร็จแล้วก่อนทาง พระเจ้าเมืองมีลขานั้นก็โอ้โหเหมือนกับเอาแสไปตีหางูจงอางอลไว่างัง้นชูคอโถโหในพื้นแผ่นดินนี่จะมีใครต่อสู้กับเราอยู่หรอแนะน่งั้นยังไม่รู้เรื่องของเราลนะเลยเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองเล็กๆขนาดนี้ค่าไกหย่ำทีเดียวมันก็นแตกแล้วงนะั้นทำไมมาหาเก่งข้าสามารถขนาดนี้วานะาแต่นี้ก็พอท้งนี้ยึด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 ต้สู้ก็บศึกแน่คาวแน่ว่างั้นเพราะมันบัญหาเรื่องเสกเขาอะไรด้มาหาเรื่องเสกเขามันก็ต้องมีศึกเลยสิเนี่ยซักศึกเข้าบ้านอนอะมาพูดง่ายๆแต่นี้อํามาตย์พวกนี้ก็เตรียมพร้อมแหละนะนะพอเตรียมพร้อมเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินทางน้งก็โอ้มันต้องมีเก่งนะมันต้องมีดีนะ่ะมันจึงยึดจึงยึดราชรถของลูกของเรานะมันจึงกล้าขนาดนี้มันต้องมีดี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 พลเนสุก็เลยทางนี้นก็ตั้งฐานทัพขึ้นมาอีกเหมือนกันทางเมืองเล็กนี่ก็ตั้งฐานทัพอีกเหมือนกันทางโน้นก็ตั้งฐานทับอีกเหมือนกันอพลเนสุก็ยกมาไปเชิญหน้ากันเลยพอประเชิญหน้ากัน เ, นะ เ, เนาาข้าไปทีเนี่ยทางพระเจ้าะแผ่นดินทางเมืองมิลขะเนี่ยก็มีลือสีตาไฟอยู่ในภูเขาเนะี่ย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 ทีนี้กิดลือศรีนี่ก็พวกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลลค่ะก็เข้าไปก่อนเขาไปถามลือศีท่านฤือีครับพวกผมจะสู้ศึกกับคราวนี้นะ่ะจะชนะไหมป่าลือศรีก็าบอกอแต่ยานทัศนะของเราเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามถามผู้เหนือเก่าผู้เหนือเราก่อนนะต้องถามอีกรอบสองอีกจะก่อน พอรอบสองอีกแล้วเราจะเราจะให้คําตอบนะอีกสักสองวันให้มารับคำตอบทางพระเจ้าแผ่นดินนี่ครับพอตกกลางคืนมาพระอินทร์ลงมาพระอินทร์ลงมามาเยี่ยมฤาษีท่านนี่มาหาฤาษีตามปกติมาหาทุกทุกคืนวะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าฤาษีก็ถามว่าท่านพระอินทร์เนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินมาถาม เมื่อวานในบอกว่าการสู้ศึกสงครามในคราวนี้นะฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะพระอินก็บอกว่าอืมพวกฝ่ายพระเจ้ามิลขะนี่นะต้องชนะแน่เพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่ขุนพลอะไรเขาครบพร้อมหมดทุกอย่างอันนั้นเพียงกะจี้เดียวหน่อยเดียวนะีอมันจะสู้คนใหญ่ได้ยังไงฝ่ายที่ต้องชนะ พอวันนุ่งขึ้นมาพระเจ้ามรลคะก็เข้าไปถามถามลือศีตาทิพย์แต่ศีตาทิพย์ก็ว่าอืมพระองค์ต้องชนะแน่เพราะว่าได้ถามาเทโวดาแล้วตอนนี้ก็โอ้ยสบายพวกเราเอ้ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งหมดนอนไปก็ชนะเอนกันนะเ อ, อยไปหากลัวมาทำไมประเทศเล็กๆขนาดนั้น มันเลยมาก็มามากินเลี้ยงกันสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยว่างั้นลนะอพอเหตุห i, อะไรเพราะว่ายังไงก็ถึงต้องชนะเอพอราอฤาษีตาทิพบอกแล้วนี่แล้วก็ถามเทวดาอีกต่างหากเทวดาก็ยืนยันอีกสองพลังอลไว่างั้นเลยทางฤาษีตาทิพด้วยทั้งเทวดาด้วยยืนยันนะอจากนั้นก็พวกนี่กระชัาใจเฉยต่นนี้พวกทาหาร เมืองเล็กๆเนี่ยไง เ, เขาก็เข้าไปถามอีกเขาไปถามฤาษีตาทิพย์อีกเหมือนกันตรงนั้น่เพราะเป็นที่เคารพของทั้งสองฝ่ายเลยท่านฤาษีครับอพวกผมจะชนะไหมสู้ศึกคราวนี้ทางพระฤาษีก็บอกว่าอืมเดี๋ยวๆเราจะถามเทวดาดูก่อนนะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยมามาหาอีกจากนั้นก็พวกนี้ก็ค่อย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 ันลุงขึ้นมาพกอมมาดเกิดเข้าไปถามหรือสีตาทิพย์อีกตาทิพย์ตาทิพย์บโอ้ยแพ้เทวดาบอกว่าแพ้แล้วแพ้เนี่ยมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไหมการที่จะบอกแพ้เนี่ยเออในในขณะที่ออกองพลต่อกองพลประชันประชหน้ากันเนี่ยกองทัพกับกองทัพประชหน้ากันเนี่ย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 เห็นแต่ในในแม่ทัพใหญ่เท่านั Remember, ้นแหละเห็นว so ัวสองตัวชนกันในระหว่างมันจะสู้กันในระหว่างนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็พออมมาเมืองเล็กเนี่ยออกมากับถอยออกมาก็ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้แล้วใช่ไหมพอฤาษีตาทิพย์บอกแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็รวบรวมทหารหารทางหลายแหล่เนี่ย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 พอไปขึ้นไปบนเขามันมีหน้าผาชันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าผาชัน้าหน้าท่านนี้ก็เป็นลานหินกว้างทหาร <c oughs> เตรียมพร้อมเอาถ้าว่าพวกเราพร้อมที่จะถวายหัวกับพระราชา <c oughs> ให้พวกเธอทั้งหลายโดดเหียวเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทั้งทั้งานายพลทหารทหารทั้งหลายและถือหอก วิ่งกูเข้าไปจะกระโดดเหวให้ดูเลยว่าเงั้นเด็กเื่อความสามารถขนาดไหนความแก่งขนาดไหนว่าไะถวายหัวต่อพระราชาเลยกระโดดเหวให้ดูเลยพอกระโดดใกล้ถึงเหวน่ะอาหมาดยดเอาไว้ก่อนอันนี้เราบอกเพื่อเพียงความสามารถทัวเองถ้าพวกท่านทั้งหลายต้องถาวายหัวกับพระราชาถ้าว่าโดดเหวอย่างนี้แปลว่าโดดแบบโง่ไม่ได้ เราเพียงแต่อยากจะรู้ ก, กําลังใจเท่านั้นเองว่าพวกท่านมีความสามารถสู้ขนาดไหนเสียสละขนาดไหนเอาสู้โชว์ไม้สู้เอากลับพอกลับเสร็จแล้วก็ทหารใหญ่นะบอกว่านี่นะทหารในเมื่อเราเข้าไปเชิญหน้ากันนะ่ะเมื่อเข้าไปเชิญหน้ากันทั้งสองกองทัพอนะวัวของเราเป็นสีดำวัวของเขาเป็นสีขาวแต่ไม่มีใครเห็น นอกจากเราท่านเองกับทางฝ่ายเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นวัวมาชนกันเนี่ยเราเองนะ่ยเราจะถือหอกลงจากหลังมา้อาอหลังช้างนะวิ่งไปฆ่าแทงลงตรงไหนให้สู้เจ้าแทงลงตรงนั้นนะเ อ, อพอแทงเสร็จแล้วให้สู้เจ้าประกาศพร้อมกันกูชนะแล้วสิ่พูดอย่างนั้นนะข อ, องกันทหารนายพลใหญ่ของกันบอกไพยพลตำรวจท่านบอกทาหารของตัวเองของกัน อนี้สอยก็เลยพอไปเชิญหน้ากันจริงๆนลยไอพอนัดก็ไปเกิดทั้งช้างทางางั้งม้าทั้งหมดเอามาประชชนก็เล ย, ยนนะี้พอชนก็บวัวตอนนะั้นนังวัวขาวกับวัวดำมันวิ่งออกหน้าจริงๆนะยอย่างดืสีบอกดยงดืสีตาทิพย์บอกพอวิ่งออกไปตอนนี้ก็เอามาดจ่ายที่นี่ก็โดดลงจากหลงังช้างนะ่ะพอโดนหลังช้างเลยก็ใหค้คนอื่นคนอื่นขี่ช้างแทน ตัวเองก็ถือไ อ, อ้หอกอหอกสามงนะ่ามเนี่ยกันโดดก็ไปแทงเองไปแทงวัวขาวตัวนั้นนะอ่ะพอแทงวัวขาวลวกูกลูกน้องเป็ดพันใช่ไหมกูเข้าไปช่วยใช่ไงพอกูเขาไปช่วยก็ไปแทงตรงนั้นอนะ่ะแต่งที่ที่ทนายพลแทงไว้นะั่นแหะแต่พวกนี้ไม่เห็นนะแต่ในพลเห็นเหมือนกันอนะ่ะในพลใหญ่เห็นพอเห็นนี่คนเป็นพันตะโกะนวะ่ะเน่ย เออพอตะโกนว่าโกชนะแล้วทั้งนั้นเลพวกนั้นขวัญกําลังใจเสียหมดเลยถึได้พวกฝ่ายตรงข้ามนะ่เออเขาฆ่านายพลตายหรือเปล่าทีนี้ไม่มีใครเห็นใครใช่ไหมละ่ะมันตลบครบถ้วนไปหมด เ, เขาฆ่าเขาฆ่าขุนพลหรือเปล่าเนี่ยมาพวกในโซ็เลยสายอีสางกับตังสร้างทางม้าเหยียบกันอีดึงตึงนางมาลังตั้งนึงแต่กระโจนไปหมด รีบเข้าไปในเมืองรีบปิดประตูอีกต่างหากโอ้อผลที่สุดพวกนี้ก็เลยเอขนทั้งชุดโทรประกอบสิ่งของอะไรอะไรต่อเมือะไรขนแบบไม่หวัดไม่ไหวแตนะ่นี่ยออชนะเอางั้นเะเอพอชนะแตนี้ทางโน้นก็ปิดประตูเมืองกลัวพวกนี้จะเข้าไปไล่เข้าไปอีกเนี่ยทั้งจ้างทั้งมา้าทั้งคนตายเป็นบือไปเลยแต่นี้เออ เพราะอำนาจเมืองเล็กหนึ่ชนะเหมือนกันทีนี้พระเจ้าแผ่นดินอยู่เมืองอมีลค<อ>่าเนี่ยหรือสีนี่โกหกเป็นอยู่หรือหรือสีตาทิพย์เนี่ยท่านเป็นผู้มีสินแท้ทาไมว่าเราเป็นผู้ชนะทําไมจึงเป็นผู้แพ้ได้พอเงียบเงียบได้กันก็เลยยกพลไปอีกไะคล้ายๆๆกับว่าเอาผลทหาร นั่นพ่อไปไปถามฤศีอีกท่านฤศีอะท่านทําไมโกหกพวกข้าพเจ้าว่าพวกข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายชนะทําไมจึงเป็นฝ่ายแพ้ได้เพราะเหตุอะไรท่านโกหกเป็นอยู่เหรอทาร่านฤศีนี่นก็จ่อยเหมือนกันแล้วว่างั้นเอออาตมาเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงมหาบุพิตเดี๋ยวอาตมาจะถามเทวดาก่อนเทวดาม มาซะก่อนเดี๋ยวอาตมาจะถามดูเทวดาจะมาคืนนี่นะเอเดี๋ยวจะถามดูพระอินทร์ดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้คําตอบนะแต่นี้ก็ตอนกลางคืนมาเทวดาก็มาบเนี่พระอินทร์มาครับฤาษีตาทิพย์ก็เลยถามอะท่านเทวดาท่านพระอินทร์เทวดาทด้ยังโกหกเป็นอยู่เหรอท่านว่าท่านว่าจะให้พระเจ้าพระเจ้ากะลิงคลาดนะ จะเป็นฝ่ายชนะนละพระเจ้ากลิงฆานะเป็นฝ่ายชนะเนยะแต่ทำไมเป็นฝ่ายแพ้เทวดาในโกหกเป็นโยราเนะทวดาบอกว่าพระอินทร์บอกว่าเทวดาไม่มีการโกหกแต่ว่าเห็นไหมนะพระเจ้ า, ามิงฆะนะเป็นผู้ประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้ว เหมือนกับหามคนตายไปสู้กับคนเป็นจะไปชนะเขาได้อย่างไงพอตัวเองว่าตัวเองจะชนะเดนนั้นไม่ได้เตรียมพร้อมอะเลยเลยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ไข่คููประตูหอรบพล่วงทหารอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมเลยมีแต่คิดว่าจะชนะอย่างเดียวมันจะชนะได้อย่างไงคนทั้งหลายปลาดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้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 เป็นผู้ไม่ประมาทอยูด่ด้วยความไม่ประมาททุกๆระยะบทพร้อมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคนนั้นจะเป็นผู้ชนะได้อีกสักวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยนี้ก็เหมือนกันพวกเราถึงจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามถ้าว่าเป็นผู้ตรวจตราดูผลพักของตนเองตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกบกพร่องมันก็ต้องเอาชนะได้ แต่ใจชนะทั้งสองฝ่ายมังคงเป็นไปไม่ได้ทั้งเมืองคลิงคิงฆาก็ชนะทั้งเมืองเล็กก็ชนะมันคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ใชมันต้องฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ต้องฝ่ายนึงก็ต้องเป็นฝ่ายชนะนะเป็นของธรรมดาโลกนะี่ชนะกับแพ้มังอยู่คนละคนละข้างกันฮเพแคะ น, นั้นพวกลูกหลานทั้งหลายนะที่มาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งทุกหมู่ทุกเหล่าให้เป็นผู้เข้มแข็ง แต่ทิงยังไงทึงจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะพวกเราก็อยู่ด้วยกันนั่นหละแหรรักสามัคคีกันเอาไว้อย่าไปเบียดเปลี่ยนกันอย่าไป a b u s พยาบาทอาฆาตกันเพราะว่าฝ่ายแพ้ก็ดีฝ่ายชนะก็ดีก็เป็นพี่น้องประชาชนของพวกเราเป็นผู้ให้การสนับส น, นุนเป็นผู้ให้การไว้วางใจเพรานั่นก็พัฒนาไปขาวนี้ข่าวหน้าข่าวหน้ข า, น ข, านข่าวต่อไป เราก็ต้องทึงนึกถึงย้อนบา ร, รมีของเราดิเออเราคงจะไม่เคยเป็นออสร้างสมาบารมีมามั้งในอดีตชาตออิแต่ต่อไปนี้ข้าเพาเจ้าจะฝึกเป็นหัวหน้าคนเวลาไปที่ไหนก็เอาชักชวนคนทาบุญทาทานเป็นหัวหน้าคนเออเ อ, อทาทำนั้นทำนีออ้ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้ามก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เ, เป็นหัวหน้าคนได้แน่ ถ้าเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนเฉลยหนึ่งไม่ได้เลยการเป็นหัวหน้าไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะการเป็นหัวหน้าคนมันต้องฝึกต้องมีบุญบา ร, รมีพอสมคว ร, รบุญหนักสักใหญ่พอสมควรเลยเพราะนั้นเขาเนี่ยเราจะเป็นหัวหน้าเขาเ่เราก็สั่งสมบา ร, รมีไปถ้าเราไม่ได้ก็แสดงว่าเออเราคงไม่มีบา ร, รมีมั้งต้องคิดอย่างนั้นนะเอาต่อนนี้ไปละพอเนี่ท่นโอ้หลวงพ่อพูด ชาดกให้ฟังเจยยืดยาวเลยวันนี้นะ